โอย่างงี้มันก็ทุกข์ใจนะแต่ที่จริงก็น่าจะคิดถึงเหตุด้วยนะตอนทําเหตุเนี่ยเป็นยังไง น, นะเรามาร้องเรียกเอาผลจะเป็นยังไงนะก็บอกว่าปลูกมะม่วงน้ําก็ไม่เคยรดดินก็ไม่เคยพรวนแล้วไปปลูกในที่แห้งแล้งมันให้ลูกมาลูกสองลูกนี่ก็ดีแล้ว น, นะนะที่ยังพอมีลูกให้ชิมบ้างยังพอยังพอได้กลิ่นมะม่วงบ้างวนะ่างั้นบางคนบางคนเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ดีแล้วล่ะเราะทําบุญมาน้อยอะ่ะทําไง่ย น, นะ แต่ถ้าหากว่าเขาไม่เรียบพวนขวายใหม่อีกนะน้ําขึ้นแล้วไม่ตักเนี่ยชีวิตชาติหน้าอาภัพแน่ทีนี้ในฝ่ายตรงกันข้ามพระองค์ตรัสว่าดูก่อนเครือาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้ามองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือของตนเองให้ของที่ไม่เหลือ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 แม่บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปในที่อื่นข้อนั้นเพราะหไรทั้งนี้เพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพนี่นะรู้เหตุแล้วเนอะใครเป็นยังไงก็ดูจากเหตุในอดีตด้วยไม่ใช่ร้องเรียกเอาเฉพาะผลในปัจจุบัน ดูก่นเครืาบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อว่าเวลามะพราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปียะ 84%,00 มื่นถาถารูปียะเต็มด้วยทอง 84%, ด00ถานสี่พัถาถาสำริดเต็มด้วยเงิน 84%00 มืนถาให้ช้าง 84%,00 ม่นเชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีทงทองคลุมด้วยขายทองให้รถ 84%, ดหมพันคัน คุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีทงทองคลุมด้วยขายทองให้แม่โคโนม 84,000 ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว 84,000 พันคนประดับด้วยเก้วหาบาดีแต่ท่านให้บาลัง 84,000 ที่ลาดด้วยผ้ากงที่บำเพ็ญบารมีอยู่เนี่ยนะ เราได้ให้ถักมาให้มีเครื่องลาดอย่างนั้นด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้าอีกแปดหมื่นสี่พันกฎผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้าผ้าเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องลูไล้ที่นอนไหลไปเหมือนแม่นม้ำว่างั้นให้มากางั้นดูก่อนคือาบดีก็ท่านเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้น ผู้อื่นไม่ใช่เวลามาพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นดูก่อนเครือห่ายบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามาพรามคืออดีตชาติอีกชาติหนึ่งของพระ อ, องค์ที่บำเพ็ญบารมีอยู่เนี่ยนะเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทัคคีนายาบุคคลไม่มีพระอริยะบุคคลรับทานนั้นเลยมีแต่ปุตุชนคนที่นา้าด้วยกิเลสทั่วไปนั่นแหละรับทาน มันใครๆไม่ชำระทักคินานั้นให้หมดจดเพราะว่าทักคินานี่จะหมดจดหรือจะบริสุทธิ์เพราะหนึ่งผู้ให้มีศีลคนรับก็มีศีลเนี่ยนะมีศีลทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยทักคินาชื่อว่าหมดจดแต่สมัยนั้นเวลามาพราห ม, มีศีลแต่ว่าคนรับไม่มีคนมีศีลเพราะฉะนั้นทักคินาเลยไม่หมดจดดูก่อนครหบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่เวลามาพราหมณ์ให้แล้วในนะก็บอกว่าถ้าคนที่ทำบุญกับพระโสดาบันครั้งเดียวมีอานิสงส์มากกว่าทำกับที่คนที่เวลามาพราหมณ์ทำเอางี้นะถ้าประเทศไทยเนี่ยข้าวข้าวกล้าเนี่ยนะถ้าเราทำนาที่ชาเชิงเาวาฝนดีๆเนี่ยนะ ทำปีเดียวกับไปทำนาที่ซาอุร้อยปีเนี่ยไห น, น, นจะมีผลมากกว่าใช้พันเท่ากันเนี่ยนะไหนจะได้ผลมากกว่าน่ยโอย้ชาชิงซาทำปีเดียวพอแล้วนะใครที่ไปทำซาอูอย่างเงี้ยร้อยปีเนี่ยมันไม่ได้ผลขนาดนั้นอะไรต้อทำอาไรกันนาทรายแบบนั้นเพราะอะไรเพราะนามันต่างกันเนาะผลก็ย่อมแตกต่างกันเนไะ หรือว่าทํานาประเทศไทยปีเดียวอย่างเงี้ยไปทำเอธิโอเปียสักพันปีเลยอ่ะโอ้ยเ ม, มื่อไหร่จะได้ผลน่ะนะเพําผิดที่อ่ะใช่ไหมหรือว่าปลูกมะม่วงในที่ดินดีๆกับไปปลูกมะม่วงบนหินอย่างเงี้ยผลมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยนะที่ที่ปลูกเนี่ยนะมีความสําคัญทานเนี่ยนะถึงจะลงทุนมากขนาดไหนก็ตามถ้าทําผิดที่ผลก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยนะ หวานนาเรียกว่าคนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะกระบุงหนึ่งกับคนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวกำเดียวเนี่ยนะคนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวกระบุงหนึ่งเนี่ยไปหวานบนท้องถนนเนี่ยนะที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมากับมีกำเดียวไปหวานในนาเดียไหนะจะได้ผลกว่ากันยังไงก็แตกต่างกันอยู่แล้วนาเนี่ยมีความสําคัญมากเนี่ยนะอันการให้ทานก็เหมือนกันคนรับทานเนี่ยนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมาก นะถ้าหากว่าเราให้ถูกคนเป็นต้นเนี่ยนะโอ้บุญนั้นก็มากมายมหาศาลเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยท่านหมายถึงบุคคลเชื่อเชิญพระสกทแล้วกล่าวต่อไปว่าทานที่บุคคลทันที่บุคคลเชื่อเชิญให้ท่านท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื่อเชิญท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคนเดียวบริโภคเหมน น, นก็คือสมมติว่า พระโสดาบันทำบุญกับพระโสดาบันหนึ่งคนกับทำบุญกับพระโสดาบันหนึ่งร้อคนเนี่ยไหนจะได้บุญมากกว่าทำกับพระโสดาบันร้อยคนได้บุญมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหทีนี้กล่าวว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบริโภคร้อยท่านเนี่ยนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระสะกะทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยที่ฐิร้อยท่านบริโภคเชิญพระโสดาบันเลยร้อยคนแล้วก็เชิญพระสกะทาคามีไปคนเดียวพระสกะทาคามีคนเดียวนี่ได้ผลมากกว่าทีานี้ทานที่เชื้อเชิญพระสกะทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกะทาคามีผู้เดียวบริโภคใช่ไหมเลี้ยงร้อยคนก็ได้บุญมากกว่าคนเดียวอยู่แล้ว ทีนี้ทานที่บุคคลเชื่อเชิญให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื่อเชิญให้พระสะกัตาคามีร้อยท่านบริโภคโหเชิญพระสะกัตาคามีมาตั้งร้อยท่านนะ่ะนะเอาพระอนาคามีมาองค์เดียวพอนาต่างกันนะ่ะนะเซลเลขคทายสองตัวเนี่ยเซลอเยอะก็จริงแต่ว่าแหมบางวันที่หนึ่งเนี่ยนะซื้อไม่ต้องมากแต่ก็ผลมากกว่าอยู่แล้ว เพราะคุณธรรมนั่นเองเป็นเครื่องจำแนกผลแม้ทฤษฎีหวยนี่มันพูดง่า ย, ยนะสมัยก่อนไม่มีหวยก็พูดถึงแต่เรื่องนาก็บอกต่อไปว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอาหารหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามีร้อยท่านบริโภคเห็นไหมพระอาหารหันต์องค์เดียวเนี่ยนะ ได้บุญมากกว่าพระอนาคามีร้อยท่านทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคนิมนต์พระอรหันต์มาร้อยองค์ก็ได้บุญมากกว่าองค์เดียวทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพรพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์น ร, ร้อยรูปบริโภค เนี่ยนะพระอรหันตสาวกทั่วไปนี่นะร้อยท่านเลยเอาพระปัจเจกมาองค์เดียวทีนี้ทานที่ถวายให้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคอ่านะ โอ้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่เหนือคนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะท่านอรรถกถาท่านพูดตรงนี้เนี่ยทานที่บุคคลถวายจําเพาะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าทานที่ถวายแล้วแก่ชนมีประมาณเท่านี้เนี่ยนะหน้ากลองปูหลานะลังตั้งแต่ต้นแล้วก็บอกว่าทําโลกทั้งโลกเนี่ยให้มันเป็นพื้นรับเป็นอันเดียวกันหมดนีนะให้มันเป็นเหมือนกันหน้ากลองเสมอกัน พึงให้พระอริยบุคคลนั่งณนะที่นั้นมีพระโสดาบันบุคคลสิบแถวให้เรียงเลยสิบแถวยาวเหยียดพระสกท า, าคามีบุคคลห้าแถวพระอนาคามีบุคคลสองแถวครึง่งพระขีณาศพหนึ่งแถวครึง่งพระปัเจ ก, กพุทธเจ้ามีแถวหนึ่งหนึ่งแถวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทานที่บุคคลถวายจําเพาะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีผลมากกว่าทานที่ถวายแล้วแกชนมีประมาณเท่านี้เนีย่ยนะเพราะฉะนั้นโหได้บุญมากกว่านะคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำบุญกับพระพุทธเจ้าใส่บาทครั้งเดียวเนี่ยนะมีผลมากกว่าไปทำกับคนอื่นๆทั้งหมดทีนี้เราถ้าธรรมดาทั่วไปนะเอาทฤษฎีเดียวกันมาตั้งว่าถ้าเราคิดถึงคนทั่วไปพันล้านคนกับคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสครั้งเดียวเนี่ยไหนจะได้บุญมากกว่า คิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้ พ, พุทธเจ้าน่าคิดถึงจริงๆนะมาจะคิดด้วยกิเลส น, นะคิดถึงทีจะเอาบุญทีมาใช่อย่างนั้นก็คิดด้วยความเลื่อมใสนั่นแหละแล้วก็กล่าวต่อไปว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค นะถวายพระถวายสังฆทานมีพระองค์เป็นประมุขเนี่ยนะมีผลมากกว่านั้นอีกการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจตุรทิตเนี่ยนะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคเนี่ยนะโถ้าหากว่าใครที่ทำวิหารทาน สร้างเสนาสนะเนี่ยนะแล้วอุทิศเจาะจงสง์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสไม่ใช่เจาะจงพิกสุกอพิสุขอเนี่ยนะแต่มุ่งไปที่สงที่มาจากทิศ ท, ทั้ง4ี่เนี่ยนะก็ น, นับว่ามีผลมากกว่าถวายสังฆทานที่ว่าไปอีกการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณนะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหาร ถวายสง์อันมาจากจตุรทิศโอ้แจ๋วเลยนะนี่นะการที่เรามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าการสร้างวิหารเสนาสนะนั้นอีกเพราะบุญตรงนี้มีความสำคัญนะเพราะเกี่ยวเนื่องกับสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคนที่มีจิตเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทที่ถูกชุกกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะ นะส ม, มาธิฏฐิอันนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเหตุแห่งความพ้นจากวัตทุกข์และก็การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานศึกขาบทห้าเนี่ยนะคืองดเว้นจากปาณาติบางตงดเว้นจากอาินาทานงดเว้นจากการเมโซมิชฉาจารงดเว้นจากการมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใคที่บอกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตที่สุดแม้เวลาเพียงสูตรดมของหอมก็มีผลมากเพือ่อการสมาทานศิขาบทคือการเพิ่มกวันนั่นทําไงการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูตรดมของหอมมีผลมากกว่า การที่บุคคลมีใจเลื่อมใสสมทานศิขาบทหเนี่ยนะอันนี้สงที่มากขึ้นกว่านั้นก็คือการเจริญเมตตาจิตเพราะฉะนั้นทานที่บุคคลเชื่อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามาพรามให้แล้วเนี่ยสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองตลอดจนถึงว่า สุดท้ายที่บอกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตที่สุดแม้เวลาเพียงสูดดมของหอมก็มีผลมากกว่าการสมาทานศิขาบทคือการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นและการที่บุคคลเจริญอนิจจะสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเห็นไหมการเจริญอนิจจะอนิจจะสัญญาเนี่ยนะ คือสัญญาที่มีความสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงและวิญญาณไม่เที่ยงอันคนที่จะสวดมนต์เช้าเนี่ยนะสวดมนต์เช้าใช่ไหมถ้าสวดด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างจริงๆเลยนะพิจารณาธรรมะตามนั้นได้มีอณนนิสงฆ์กว่าการเจริญเมตตาจิติกพันหก ผู้ศาสนาเนี่ยเป็นแหล่งค่ากุศลเหมือนกันนะถ้าหากว่าคนที่ศึกษาถูกเนี่ยนะโอ้กุศลจิตเนี่ยเกิดไม่ยากก็คิดดูนะอย่างขุมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยนะเออคนมีบุญเนี่ยนะเขาเซ็นชื่อลงในกระดาษใบเดียวนะเขาได้เงินเป็นล้านๆเลยนะบางคนเนี่ยทำงานจับจอบมาหลายสิบปีแล้วก็ติดหนี้ไปหลายพันเหมือนกันนะไม่เหลืออะไรเลยนะบุญมันแตกต่างกันนะโลกเนี่ย บางคนเดินเฉียดเฉียดเฉยเยเนี่ยนะก็ได้เงินตั้งเยอะแหละอีกคนเดินเฉียดไปทีไรเสียเงินทุกทีเลยนะวิบากมันแตกต่างกันมากเพราะบุญนั่นแหละเป็นเครื่องจำแนกเป็นเครื่องแยกแยะฉนั้นทำยังไงใจเราจึงจะได้เป็นไปกับกุศลมากๆทีนี้ใจที่เป็นไปกับกุศลนั้นนะถ้ามีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ผลก็ไม่มากนะ แต่ถ้ามีคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมมีคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์บุญนั้นย่อมนับว่าเป็นบุญที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลเพราะว่าคนที่มีจิตใจเลื่อมใสไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะพระรัตนตรัยนั่นแหละจะชี้ให้เขาเห็นอริยสัจถ้าเขาเห็นอริยสัจแล้วก็พ้นจากวัตทุกข์ทั้งปวงได้โอ้สบายที่สุดนั่นแหละอันพระโสดาบันเนี่ยกองทุกข์ของท่านเหลือหน่อยเดียวเนีย่ยนะ ถ้าเป็นพระโสะดาบันบุคคลเลยนะเพราะว่ า, าทุกทั้งหมดของท่านสิ้นไปแล้วเห็นมนะเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาศเจ็ดเม็ดน่ะนะทุกที่ท่านเหลือเพราะฉะนั้นทุกที่ท่นานคนที่มีบุญนี่ก็เป็นลักษณะนั้ น, น, นทุกได้ทั้งโลกนี้ทุกทั้ง โลกหน้านะอย่างข้อความในคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องนายทารุสากติกะเนี่ยนะสวดมนต์นี่นะเจริญพุทธคุณเหล่านี้ด้วยความเข้าใจแล้วอธิษฐานทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆยๆผลจากทุกข์ได้จริงๆนะลองทําดูเถอะเนี่ยนะสวดพุทธคุณด้วยความเข้าใจเนี่นะเจริญพุทธคุณด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่สุดเนี่ยนะสวดเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐาน น, น, นะนะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะแล้วจะสำเร็จตามนั้นแหละไม่เชื่อก็ไปลองดูกันแล้วกันั้นการเจริญพุทธคุณนี้สามารถช่วยให้พ้นจากทุกได้ทั้งโลกนี้ทุกทั้งโลกหน้านะอย่างข้อความในคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องนายทารุสากติกะเนี่ยนะ กล่าวว่าภาษาสาะเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารพ บ, บุตรของนายทารุสากติกะตับพระธรรมเทศนานี้ว่าสุปะผู้ทางเป็นต้นความพิสดานมีอยู่ว่าเด็กในพระนครราชครึกสองคนคือบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งก็คือคนที่เชื่อกมและผลของกรมถึงไตรสารนาคมนั่นแหละกับบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิอีกคนหนึ่ง เล่นขลุบอยู่ด้วยกันเนืองเนือนะเล่นคลุบนี่ไม่รู้เล่นยังไงก็คือการละเล่นชนิดหนึ่งเนี่ยนะการแข่งขันเป็นเกมชนิดหนึ่งระหว่างเด็กๆ เ, เขาเล่นกันในเด็กสองคนนั้นบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดคลุบระลึกถึงพุทธานุสติแล้วกล่าวว่านะโมพุทธะแล้วจึงทอดขลุบเจริญพุทธคุณก่อนนะเ อ, อเด็กคนนี้เก่งมากนะทึบคิดถึงคุณกองพระพุทธก่อน อรหังสัมมาสัมพุโทโธด้วยความเข้าใจแล้วก็ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหละแล้วก็ทอดคลุบไปทีนี้เด็กนอกนี้คือเด็กที่เป็นลูกของมิจฉาทิฏฐิก็ระลึกถึงพระคุณของพวกเดรธีอาจารย์ของเขาแล้วก็กล่าวว่าเนามโมอรหันตานังขอนอบน้อมอรหันต์แก้ผ้าทั้งหลายของเขาอะนะแล้วก็จึงทอดในเด็กสองคนนั้นบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมชนะ คนที่เจริญพุทธคุณแล้วเล่นด้วยเนี่ยชนะคนที่เจริญนึกถึงคนที่เป็นมิจฉาทิฐิแพ้บุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นเห็นกิริยาของบุตรผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นแล้วก็คิดว่าเพื่อนคนนี้ระลึกแล้วอย่างนี้กล่าวแล้วอย่างนี้ทอดคลุบไปจึงชนะเราแม้เราก็จะทําอย่างนั้นบ้างเออเขาทําอย่างนั้นเขาชนะเออเราเอามั่งไง แล้วก็ได้ทําการสะสมในพุทธานุสติแล้วเด็กที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยสะสมพุทธคุณไปด้วยนะเกี่ยวข้องกับเด็กที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วยนะเกี่ยวข้องกับคนเช่นไรเราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละเกี่ยวข้องกับคนที่โกรธเราก็จะโกรธด้วยเกี่ยวข้องกับคนมักโลภเราก็จะโลภไปด้วยเกี่ยวข้องกับคนโง่เคล้าจะพาเราเคล้าไปด้วยเหมือนกันนะงั้นการเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันติดเชื้อกันได้นะอ๋ออย่าว่าเชื่อทางความคิดเลยร่างกายมันยังติดเชื้อใช่ไหม บางอย่างนี่ติดเชื้อทางลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะบางอย่างแค่เดินเฉียดเฉียดนี่ก็ติดเชื้อมาแล้วพบคนมีศรัทธาแล้วก็พิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาในายะอื่นๆก็คล้ายๆกันก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละมันกุศลจิตเนี่ยถ้าคนรู้ปัจจัยนี่นะกุศลเกิดไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้จักปัจจัยเนี่ยยากนีนะก็เหมือนกับจะข้ออะไรให้มันเป็นเสียงดนตรีเนี่ยนะไปขาะผิดที่มันก็ไม่เป็นเสียงดนตรีปัญญา เนี่ยนะแล้วคบเกี่ยวข้องกับคนที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาแล้วก็พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาเพราะนี้อินรี่ห้าจะบริบูรณ์ด้วยอาการ15เหล่านี้เนี่ยนะข้อหนึ่งนะศรัทธาถ้าอยากเจริญศรัทธาก็หลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาคบคนมีศรัทธาแล้วก็พิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาในยะอื่นๆก็คล้ายๆกันก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละ